บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุรชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับอาญตนะคือการสังเกตดูจิตของตนยามที่ประสบอารมณ์ภายนอกซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ สงสงัสังเกตดูจิตในแต่ละขณะว่าในขณะนั้นมีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงและเพียรพยายามลดละบรรเทาอาการของสังโยชน์เหล่านั้นให้สงบไปสังโยชน์ก็คือกิเลส ท, ที่สงบอยู่ภายในใจ โดยปกติแล้วถ้าหากว่าไม่มีอะไรมากระทบก็จะไม่คุ่งขึ้นมาแต่เมื่อมีอารมณ์มายั่วยวนบ้างยัอยุบ้างย่อยาวบ้างอาการของกิเลส น, น, นั้นก็จะปังเกิดขึ้นแต่เมื่ออาการเขาปรากฏคุ้มรุมจิตในจุดนั้นท่านเรียกว่าอุปกิเลสคือสิ่งที่ทําำให้ใจเศร้าหมองบ้าง เรียกวณิวอ์คือสิ่งที่กั้นจิตคนเอาไว้ไม่ให้บรรลุความดีบ้างและถ้าออกมาเป็นทางกายทางวาจาก็เป็นทุจริตทางกายทางวาจาแต่นั้นธรรมะที่ทรงแสดงจะสังเกตได้ว่าเป็นปริยายของธรรมะที่ได้กล่าวถึงความเข้มข้นของกิเลสที่แตกต่างกันและพูดกันในระดับันั้ น, น, น กิเลสประเภทสังโยชน์หรือประเภทอนุสัยก็คือกิเลส ท, ที่สงบอยู่ภายในแล้วก็พร้อมที่จะออกมาเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปโดยลาดับเพียงแต่ว่าในขณะหนึ่งในสภาวะอย่างหนึ่งและเรียกชื่ออย่างหนึ่งแต่นั้นเองเป็นการเรียกตามอาการของเขาสังโยชน์ที่พูดกันมาโดยลาดับนั้นมาถึงข้อที่ว่าโดยมานะ ที่แปลว่าความถือตัวซึ่งในแง่ของสังโยชน์แล้วเป็นกิเลสที่ละเอียดมานะนั้นภระยะบุคคลสามระดับแรกยังละไม่ได้สแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกิเลสประเภทนี้แต่มาระมานะบางบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ท่านใช้ เป็นการสร้างจิตสานึกที่ดีงามของตนมีความรู้สึกตัวว่าตัวเป็นใครมีภาระหน้าที่ยังไงและพยายามรักษาสภาวะหน้าที่เหล่านั้นของตนเอาไว้ไม่เกิดความบกพร่องเพราะเราจึงพบว่าบุคคลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกทรงใช้ภาษา ภาษาที่เรียกนั้นที่จริงเป็นภาษาบัญญัติคือบัญญัติเกินขึ้นมาคล้ายๆกับบรรยัติบัญญัติแถบผ้าซึ่งมาเรียงกันไปรูปธงใจรง่งว่าเป็นธงใจรง่งแต่ตาบใดที่แถบผ้ายังมาเรียงกันในแนวนั้นชนในชาติจะแสดงอาการดูหมิน่นไม่ได้ถึงเมื่อแถบผ้าเหล่านั้น ก, ะกระจายออกไปมันก็กลายเป็นผ้าธรรมดา ซึ่งใครจะเอาไปทำอะไรก็ได้ลักษณะของการสมมติเป็นเช่นนั้นหมายความว่าเป็นที่ยอมรับนับถือกันในกลุ่มชนเหล่านั้นสมมติจึงไม่ใช่เรื่องสา ก, กลเป็นเรื่องสา ก, กลในบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่สา ก, กลจนเอาคำว่าคนนั้นใครจะเรียกยงไงก็ได้ ต่เข้าใจกันโดยเนื้อหาว่าหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่คำเหล่านี้เมื่อนำมาเรียกกลุ่มพุทธบริษัทของเราแต่ละฝ่ายระเจ็นว่าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแต่ผู้ใกล้ชิดประรัตตนาไตรหรือคุณนั่งใกล้ประรัตนาไตร จะต้องเกิดมานะขึ้นมาว่าเราเป็นอุปสบปาสิกาที่แปลผู้ดั่งกลายระรตนาใจหรือผู้ใกล้ชิดพ ร, ร, รารตนาใจอาการกิจานใดที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นผู้ใกล้ชิดต่อพ ร, ร, รารตนาใจเป็นการแสดงสะท้อนถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําร อ, อยยุคนบาทของพระพุทธเจ้าหรือตามคุณของพระรตนาใจ ก็ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นดังที่ได้เคยกล่าวเรื่องเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นอุปสกบาศิการระดับที่เป็นรัตนะที่ทรงแสดงไว้ห้าข้อโดยมีข้อหลักจริงๆแล้วก็เพียงข้อเดียวก็คือศรัทธาที่มีความเชื่ออย่างลงมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัย เห็นคุณค่าของศีลหนึนโทษของการละเมิดศีลก็สมาฐานศีลรักษาศีลแลสส้วก็เชื่อในกฎของกรรมไม่เชื่อมงคลดึนข่าวต่างๆโดยสายความเชื่อต่อการศัตรูของพระพุทธเจ้าเป็นผ่านไม่สแสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาสแสวงหาเกศบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาคุณลักษณะเหล่านี้ ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นเฉพาะอุบาสกปัตติกาแต่ผู้ที่เป็นนักปวดก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เพียงแต่ว่าศรัทธานั้นจะต้องมั่นคงมากยิ่งขึ้นศีลเองก็กระจายจำนวนออกไปแล้วต้องมั่นคงเพิ่มขึ้นการเชื่อกรรมการอย่างรู้เรื่องของกรรมก็ต้องเพิ่มทั้งขึ้นทั้งศรัทธาแลวก็ทางปัญญาเป็นต้น ันเวลาทรงนำมาเรียก <c oughs> นักบวชในพุทธศาสนาก็ใช้เรียกต่างๆฉันเรียกผู้หญิงที่เป็นนักบวชประเภทหนึ่งเรียกว่าศิกขามานาแปลผู้ที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติเอาไว้อย่างเคร่งครัดจากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6คือวิการะโภชนาะ เราดูแล้วใคล้ๆสิขาบทมีเพียงหข้อบันน้อยกว่าบาสิกาบาสุบาสิกาที่มีแปดข้อเวลารักษาศีล8แปดรักษาโพสต์แต่เป็นการปฏิบัติที่เข้มงวดระยะสองปีนั้นจะละเมิดสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ถ้าละเมิดก็นับหนึ่งกันใม่ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดเป็นเครื่องมือในการทดสอบบุคคลซึ่งจะบวชเป็นภิกษุณีในโอกาสต่อไปเพรท่านเหล่านี้ก็ต้องแสดงความเป็นผู้ศึกษาในสิกขาบทออกมาตั้งใจสำรวจระวังตระบทัญญัติของสิกขาบทเหล่านั้นแล้วก็ปิดกั้นเหตุปัจจัยที่ให้ลุ่งละเมิดต่อบทปัญญาติศิกขาบทเหล่านั้นเรียกวสามเนรเรียกว่าสามนเนรี นักบวชที่เป็นสามเณรผู้ชายเรียกว่าสามเณรเทียบเป็นนักบวชผู้หญิงก็เรียกว่าสามเณรีเกิดเทือกเผาหลอกกอหรือเชื้อสายของผู้ที่สงบหรือเป็นวงของผู้สงบผู้สืบสารของผู้ที่สงบพจนาการที่จะสะท้อนออกมาให้มากที่สุดก็คือความสงบความสงบที่จริงมันเป็นผล จะต้องอาศัยการฝึกปลือสงบบ้างไม่สงบบ้างไปเรื่อยๆจนมีปริมาณของความสงบเพิ่มขึ้นความไม่สงบลดน้อยลงอาการที่ปรากฏทางกายทางวิชาของขดก็มีทุจริตน้อยลงสุจริตเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนกลับไปสู่จิตของบุคคลเหล่านั้นว่ามีความสงบสูงขึ้น เขาจึงสามารถควบคุมกายกควบคุมวาจาให้สงบตามไปได้แต่จะต้องเป็นความสงบบนพื้นฐานของคุณธรรมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความสงบนั้นบางครั้งก็เป็นมารยาเป็นการเสแส้งเป็นการโอร้อวดเป็นการแข่งดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ความสงบ ในจุดต้องหมายจริงๆนั้นเป็นเรื่องของเพื่อธรรมะหมายความว่ามองเห็นคุณค่าของธรรมะสิ่งดีงามแล้วเราก็สร้างความสงบขึ้นโดยไม่สนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องให้รางวัลหรือไม่ให้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะจุดต่างที่เรียนได้ยอย่างชัดเจนก็คือว่าความสงบที่เกิดขึ้นโดยอำนาจของกิเลสนั้น มันมีโลภะโทสะโมหะแฝงอยู่มากหมายความมาแสดงแบบแฟชั่นโชว์อยุดนานเนี่ยถ้าไม่ได้ลาดสาการชื่อเสียงการเคารพยกบจ้องนับถือจากบุคคลอื่นว่าเป็นผู้สงบก็จะเกิดโทสะหมายความมากโกรธอาจจะโกรธต่อตอนเองโกรธต่อบุคคลอื่นแล้วก็ลามปามไปได้เรื่อย ปริมาณความโลภเองก็สูงขึ้นซึ่งอาจจะใช้ปฏิบัติการที่รุนแรงเพิ่มขึ้นถึงหมายความกิเลสคือโมหะก็ต้องตามมาบาป ก, กุศลทุจริตทางกายทางวาจาก็จะติดตามมาเป็นแถ้เพราะฉะเราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอาการของกิเลสทั้งหมดแต่ท่านเรียกว่าเป็นอุปกิเลส คือมันสงบอยู่เป็นเครื่องคุณมัวเศร้าหมองแต่ว่าก็ปกปิดเอาไว้ได้ด้วยเล่ด้วยมายาด้วยเสยแสงด้วยโอเวแต่ความสงบในความหมายที่ทรงประสงค์จริงๆนั้นหมายถึงจิตที่สงบจากการปรุงแต่งของกิเลสในชั้นต้นๆระดับศีล ทีเรียกว่าสันตะกายโยสันตะวโจโวคือสงบกายกับสงบวจานั้นที่จริงเป็นความสงบระดับศีลหม้ความกิเลสภายในความโกรธความริษยาความแข็งดีความอะไรต่อเมือะไรจ่เป็นอาการกิเลสก็คงมีอยู่เพียงแต่ควบคุมไว้ไม่ให้เกิดอาการรุนแรงเกินไปโดยสายเกณฑ์มาตรฐานของศีล อย่างสามเณรสามเณ ร, รีก็ถือว่าสงบระดับศินสิบข้อเจนเดียวกับท่านสาธุชนทั้งหลายที่รักษาศิลแปดซึ่งศินแปดนั้นที่จริงก็คือเก้าข้อเหมือนกันเพราะเพิ่มขึ้นข้อเดียวก็คือว่างดเว้นจากการจับต้องเงินทองหรือรับเงินทองด้วยมือของตัวเองเป็นการตัดรอนความโลภ ก็คงโลกแต่ว่าโลกน้อยลงไม่ถึงก็ททำการผิดศีลบทบัญญัติเหล่านี้ก็คุมไปกหมาความท่านสงบระดับนั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ในแนวของการปฏิบัติอาจะต้องมีการสงบลึกขึ้นไปกว่า น, นั้นเพราะการสงบระดับศีลที่จริงก็มินเมย มันค้ายๆกรยืนอยู่ริมตะลิ่งแล้วก็เสี่ยงต่อการตกลงมาควรต้องขึ้นถึงฝั่งแล้วก็ต้องเข้าไปในพื้นดินที่ลึกๆลงไปที่เรียกว่าปลอดภัยการบัดให้เกิดความสงบจึงเป็นเรื่องสงบจิตประชาชนตั้งหลายเห็นว่าคำว่าสงบจิต กิเลสสารพัดที่มีชื่อต่างๆที่เราเด็กผ่านกันมาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเรียกว่าโอคะแปลว่วงน้ำคือกิเลสเรียกว่าโยคะแปลว่าสิ่งที่ประกอบหรือขังคนเอาไว้เรียกกันถะแปลว่าเครื่องผูกมัดร้อยรัดคนเอาไว้หรือเรียกว่าสังโยชน์รเรียกอนุษใสมันก็ขึ้นกลุ่มรลุมใจไม่ได้ เพราะใจถูกสงบไว้ด้วยพลังของสมาธิอาการของนิวรณ์เองก็ไม่มีแต่ไม่ได้มาความบกหมดเพียงแต่ถูกสงบไว้เพราะเมื่ออาการนิวรณ์ไม่มีผู้สังโยชน์ก็ดีผู้อนุสัยก็ดีเมื่อขึ้นกลุ่ ม, มใจเนี่ยท่านก็เรียกว่านิพพานคือไม่เรียกว่าสังโยชน์อีกแล้วไม่เรียกว่าอนุสัยอีกแล้ว ก็แสดงว่าชื่อเหล่านั้นก็ถูกสงบไปทั้งหมดด้วยพลังของสมาธิที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นพันสามเนราเนสามเนรุรีก็คือผู้สงบทางกายทางวิจารจหลอดถึงสงบใจซึ่งแน่นอนอาการสงบเหล่านี้ก็ทั่วไปแก่อุบาสกบาสิกาแต่อุบาสกบาติกาต้องก็ถือแค่สีหนห้า หมายความว่าอยู่ในกรอบของศีห้าปฏิบัติควบคุมอาการกายวิจารกันตัวเองให้ไม่ละเมิดศีห้าก็ถือว่าใช้ได้เป็นความส ง, งบประนีตคนระดับกันแต่ในขณะเดียวกันเท่าบาสุกบาติการเหล่านั้นปรารถนาที่จะรู้เพิ่มขึ้นปรารถนาที่จะตื่นเพิ่มขึ้น ปรารถนาที่จะเบิกบานเพิ่มขึ้นความสงบอยู่ระดับศีลก็ไม่พอจะต้องปฏิบัติให้สงบระดับจิตหรือเป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นความสงบที่ถาวรจริงๆจะต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิปัสสนาที่สมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ส่งบัญญัติเรียก นักบวชทั้งเพศหญิงเพศชายเพศชายเรียกว่าภิกษุเพศหญิงเรียกว่าภิกษุณีคำว่าภิกษุนั้นโดยพื้นฐานทางกิตท่านเรียกว่าเป็นผู้มองเห็นภายในสังสารวัต หมายความบุคคลผู้นี้จะต้องมีปัญญาที่จะสอดส่องมองเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจนเกิดเบื่อหน่ายเกิดระอาที่จะหาความสุขเพิ่มขึ้นตามคดีโลกเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วความสุขในคดีโลกนั้นคือความทุกข์ที่ลดลงเท่านั้นเองไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง แต่มองเลยไปตั้งการหมุนบนในสังสารวัฏว่าเป็นทุกข์ที่ต่อเนื่องกันไปอย่างที่พระเจ้าทรงเปล่งอุทานตอนตรัรู้ใหม่ๆว่าดุขาชาติปุับปุนังเกิด บ, กกบ่อยๆมันก็ทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆมันก็ทุกข์เรื่อยไปผลสภาพของชีวิตในแง่ของผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ตามความจริง ก็จะเป็นไปอย่างที่พระวจิราเทรีภิกษุณีได้กล่าวไว้เพราะแท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งสัตว์ไม่มีทั้งผู้สร้างคนสร้างสัตว์แต่แท้จริงแล้วเป็นการเกาะกลุมของทะสัมภระทั้งหลายเป็นการเกาะกลุมของขันธธาตุอายตนะ ชีวิตนั้นก็คือกระบวนการของทุกที่อาารกล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเป็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปของทุกนั่นก็คือในสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่คงสภาพของตัวเองไม่ได้มันก็ไหลก็มันอย่างนั้น เพราะท่านเหล่านี้จะต้องเห็นภัยในระดับนั้นอิสุนีความหมายก็เป็นเช่นเดียวกันแต่บางครั้งนั้นท่านหมายเอาอาการที่เที่ยวไปเรียวกว่าพูดเที่ยวไปเพื่อก่อนเขา่าพูดถึงตอนท่านเทบินทบาทเป็นความตั้งใจอยู่ภายในแต่ไม่จะแสดงให้เห็น คือไม่ได้ขออะไรก็ตรงๆก็เดินไปอย่างนั้นเองใครมีศรัทธาเลื่อมใสก็ทําบุญตักบาตรไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็แล้วไปในสังคมไทยนั้นภาพนี้เราเห็นไม่ค่อยชัดเพราะคนไทยมีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วเห็นพระเอาบิณฑบาตก็มีการตรักบาตรบางทีพระปลอมอย่างแย่งกันตักบาตรแต่ถ้าสังคมที่ไม่ใช่นักถื่อพุทธ เราไปต่างประเทศแล้วเห็นพระเทวินทบาทนะั่นจะเห็นได้ชัดเจนพอคนเดินก็เดินไปเรื่อยๆเจตนานั้นเที่ยวไปเพื่ออาหารแต่คนรู้เจตนานหรือไม่ท่านก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้บอกอะไรเขาแต่เขาไม่รู้เขาก็มองผ่านไปเฉยๆเพรา ะ, ะนันส่วนใหญ่ก็จะบินทบาทไม่ได้ ครันี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านไม่รู้เจตนาชาวบ้านไม่นับถือรู้แตศาสนาเรียกหลักของการปฏิบัติว่าบัญปชิตแปลว่าเว้นจากบาปหมายความต้องเกิดจิตสํานึกว่าหน้าที่หลักของเราก็คือต้องไม่เพิ่มบาปบาปที่ยังไม่เกิดจะต้องงดเป็น จะต้องสํารวมระวังไว้บาปที่เกิดแล้วก็ต้องเพียรพยายามลดละจนกระท้อนออกมาเป็นอาการของผู้เป็นบาปคือไม่ทำบาปไม่ทำบาปทั้งในสถานาการณ์ปกติและมีการดั่วยุจากอารมณ์ข้างนอกตืนตามปกติแล้วจิตใจของคนไม่ใช่เต็มด้วยบาปตลอดยี่บสี่ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติธรรมะจิตใจก็มีความสงบอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรพอสมควรแต่ปัญหาที่ท่านสอนให้สำรวจระวังก็คือตอนกระทบอารมณ์เหตุการด้วยยุโยยยวนมาจากข้างนอกยุโยยวดให้เกิดความรักใข่หลงไหล่หวขวันกระสันอยากในอารมณ์ต่างๆซึ่งมีการปรุงขึ้น รูปที่สวยๆเสียงที่ไปราะกลิ่นหอมหอมรสเที่ยอรสัมผัสที่น่าจับจ้องซึ่งจะเห็นได้ว่าบ่วงของมานทั้งห้าบ่วงคือรูปเสียงกิ่รสสัมผัสนั้นเวลาก็ต้องการจะยั่วยวนจะไม่ใช้รูปเพียงรูปเดียวหรือลักษณะเดียวแต่จะมีความหลากหลายทั้งหมดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสเพราะอะไรคล้ายๆกับเป็นตะข่าย ยะต้องครอบคลุมความรู้สึกนึกคิดของคนทุกประเภทเอาไว้โดยพื้นฐานของความคิดจะเรียกว่าหลังเนื้อชอบหลังใจคนเราั้นแม้จะเป็นคนเหมือนกันแต่มีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่แตกต่างกันเพราะนั้นก็จึงสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีความแตกต่างกันมีความหลากหลายเพื่อย่ยเกิดความกำหนักเพเพน ซึงหมายความว่าท่านที่เป็นบนรรพชิตนั้นจะต้องรู้และตัวความรู้เหล่านี้จึงไม่เจาะจงที่คําว่าบรรพชิตแต่ที่เป็นภิกษุณีที่เป็นสัมมณีสัมเนรีตาณสิกะมานาวประสบปสิกาก็ต้องรู้เพราะไรพระคำอรู้นั้นคือคุณลักษณะของพุท ธ, ธะ จะต้องมีความรู้จะต้องมีปัญญาเป็นประที่สองทางในการวิจัยลักษณะของอารมณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะภาพของโลกเขาก็เป็นเขา อ, อย่างนี้เขาจะบ้านปรุงแต่งจะต้องการยั่วยุ่นให้เกิดความหลงไหลคลั่งไคล้ของบุคคลทั้งหลายเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของการมมาพบที่ถูกลอดด่อโดยวัตถุ ก, กรรม เพื่อกระตุ้นอะไรเพื่อกระตุ้นกิเลสกรมที่มีอยู่ภายในใจมีการกระตุ้นกันบ่อยๆโดวยวิธีการทั้งหลายเห็นยุคสมัยปัจจุบันและยิ่งไปกันใหญ่เพราะมีการโฆษณากันมากมายเหลือเกินซึ่งแต่ละเรื่องเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการรายได้ต้องการผลประโยชน์จากกลุ่มคนที่หลงเชื่อสื่อการโฆษณาเหล่านั้น เพราะความเข้มแข็งในด้านจิตใจของผู้ทีง่งดเว้นบาปจะต้องมีกำลังมากยิ่งขึ้นท้าไม่นั้นจะกลายเป็นอนานิคมทางความคิดอนานิคมทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจทางสังคมอย่างนี้ท่านเรียกว่าตกเป็นทาสคือสยบติดถูกภายใต้อำนาจของการบงการของอารมณ์หล่นั้น ลพลังของปัญญาที่จะวิเคราะห์ตรวจสอบจึงต้องมีมากพอสามารถพิจิตใช้ตัดสินแล้วก็ตัดกระแสของความอยากไม่ลุกลามมากเกินไปมันก็คล้ายๆกับเรามีไฟแต่เราคุมได้เราไม่ใช่ก็ไม่มีอันตรายแต่ถ้าช่วงใดที่เราคุมไม่ได้ตรงนั้นก็เป็นอันตราย ในการเว้นอย่างเี้ยมันก็ออกมาในรูปที่เรียกว่าส ม, มณะเพราะฉนพอถึงส ม, มณะจึงเป็นอาการสากดหมายความมาทั่วไปแก่บุคคล ท, าาทั้งหลายจะเรียกว่าสัตว์บรุษที่ว่าคนดีคำว่าสัตว์บรุษก็คือพุ้สงบความหมายเดียวกับคำว่าส ม, มณะโดยพื้นฐานลักษณะาอาการจริงๆก็เกิดมาจากฐานเดียวกัน หมาความท่านเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติสํารวจระวังให้เกิดความสงบอาการที่คนอื่นก็ดูได้ก็คือกายกวายกาแต่ความสงบนั้นจะต้องเข้าถึงใจใจจะต้องไม่คิดบาปเพราะถ้าคิดบาปแล้วต้องพูดบาปต้องทําบาปแน่นอนวันใกล้ปัญหาทั้งหมดในทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วจึงมามุ่งเอาที้ใจ แมในการสมาทานศีเราจะนว่าถ้าพูดถึงสีนี่เราจะพูดถึงห้าข้อแต่ถ้าเราแก้ที่ใจคือสงบที่ใจให้ใจมีธรรมะข้อใดก็ได้ที่นวใจมีธรรมะข้อสติหรือความระลึกได้ระอึกันนึกได้ เป็นลำดับขั้นตอนของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ตั้งสาการคือที่ผ่านมาแล้วก็ระลึกได้ที่ปรากฏในปัจจุบันกรา ล, ลึกทันที่ผ่านไปในขณะนั้นๆก็นึกได้ว่าได้ทำอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้คิดอย่างนั้นใจที่มีสติจะควบคุมอาการกายวาจาเอาไว้ไม่ออกมาในรูปของทุจริตผิดกฎหมายผิดศีล ธ, ธรรมก็กลายเป็นอาการสงบ หรือไม่นั่นก็เปลี่ยนเป็นจิตที่มีเมตตาที่ทรงแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตมุติคือจิตที่หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสเป็นเมตตาที่บุคคลให้เกิดขึ้นแม้วูบเดียวแม้ขณะเดียวสงงใช้คำว่าแม้ลัดนิ้วมือเดียวก็จะเป็นธรรมที่มีผลมีอนิสงส์มากเพ ร, ราะอะไรเพราะเมตตานั้นลักษณะเย็น มีความอบอุ่นมีความสบายอยู่ภายในใจผลกายก็ตามที่รู้สึกอบอุ่นรบายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็จะอยู่ในที่นั้นก็จะไม่ไปได้ใจที่กรอกด้วยเมตตาจะมองคนมองสัตว์ด้วยความเมตตาและความไม่ตีพอเรามีเมตตาปับเราก็ไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเพราะเรามองเขาได้เมตตา เราไม่มเบี่ยเบียนทรัพย์ของเขาพระมองเขาด้วยเมตตาไม่มเบี่ยเบียนคู่ครองเขาพระมองเขาด้วยเมตตาเวลาพูดถึงหรือพูดด้วยกับเขาก็พูดตามการลองแห่งสุจะริตได้มีจิตที่สำรวมระวังจากสิ่งมึนเมาทั้งหลายและสิ่งเจ็บติดทั้งหลายเราก็ไม่เชิญชวนสักชวนบุคคลอื่นให้ประพฤติกระทำในลักษณะนั้น พอเห็นว่าพอถึงธรรมะมันก็มีข้อเดียวแล้วก็กินพื้นที่มากมายม้าศรรัตจนกระจายผลเหล่านั้นออกไปได้อย่างที่นั่นกล่าวไว้ว่าโลโกโปัธรรมปิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมในขัน้มจุรุกธรร ม, มทั้งหลายนั้นจึงเป็นโบหานในการสอนการเทศขอเพียงแต่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติ ให้ได้เป็นหลักใจเป็นฐานใจแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นแนวของบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเราเห็น ว, ว่าบา ร, รมีที่ทรงบำเพ็ญในแต่ละพระชาตินั้นจะเน้นไปที่บา ร, รมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลักชาติประเวสสันดรก็บาเพ็ญทานบา ร, รมีชั้นพระมหสดก็ปัญญาบา ร, รมีชั้นชาติพระภูริทัตก็เป็นศีลบา ร, รมีเป็นต้น เหอนว่าคล่ายๆกับธรรมะมีข้อเดียวแต่จริงนั้นก็คือพลังที่จะดึงเอาธรร ม, มะข้ออื่นอีกเป็นอันมากพราะเราศึกษาตลอดประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ในแต่ละประเหศือว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเราจะพบบารมีครบทั้งสิบไม่ใช่ครบพ บ, พบข้อเดียวอย่างที่ท่านแสดงไปแต่ข้อเดียวนั้นเป็นแกนคือเป็นหลัก ใกล้ชาติเป็นสุวรรณสามก็มีเมตตาบารมีเป็นแกนเป็นหลักแล้วก็ดึงอะไรต่างๆข้นมาเราจะเห็นว่าการให้อภัยต่อกระบินระยั์มันก็มาจากฐานเมตตาการแสดงความชื่นชมยินดีต่อบุคคลทั้งหลายก็เป็นเรื่องของมุติตาการอดทนทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของกันติตอนนี้ปลายก็ขอให ตั้งใจทำความสนงบสุขต่อไป